ตบัตยอย่างนี้เราได้มีโอกาสสธรรมจักกันเป็นบทสวดที่พระพเตวงสอนธรรมบทแรกแล้วมีการบรรลุธรรมปัญญากรรณาบรรลุธรรมอัญญาสีวัฏโกพันโยอัญญาสิวัฏโกโพันโย อัญญากานยาลุละหนอัญญาโกธละอัญญากนยญญารุาารลละหนเคยไปสวดอยู่ที่ประเทศอินเดียเบืเนี่ยหลายครั้งละสวดซ้ำๆๆๆกันประมาณห้าถึงหกครั้งละทุกครั้งที่ไปคือนางสวดเวลานี้แหละแดดร่มลมตก5้าโมงเย็นก่อนจะกลับไปนอนพักที่โรงแรมที่เมืองพาลานสี วัลุขึ้นเลได้ไปดูแม่น้ำคงคาดูชุมชนริมฝั่งแม่น้ำคงคาชาวเมืองพาราณสีแล้ว่าคนอินเดียทั้งประเทศก็ไปได้ที่มีความขรรถต่อแม่น้ำคงคาเวลาใกล้ตายก็จะไปเตรียมนอนตามโงแรมใก ล, ใกล้ๆแม่น้ำคงคาพอตายก็เผาเอากระดูกเอาเศษเนื ทิ้งลงแม่น้ำคงคาทุกครั้งที่ไปสวดธรรมจักก็ ม, มองเห็นสิ่งที่ท่านสอนอยู่นั่งสวดเมื่อกี้นะก็<ม>เห็นอยู่เห็นทุกมันมีจริงๆ<ม>เหตแห่งทุกคืออะไรเราศึกษาปเป็นวบบธรรมเราก็เห็นเหตุแห่งทุกคืออะไร วเวลามันเห็นแล้มันเข้าใจแล้วมันผ่านด้วยปัญญาเป็นยังไงความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเนะี่ยตรงนี้มนไม่ใช่บทสวดมันไม่ใช่คำพูดแต่มันเป็นสภาวะที่มันมีอยู่ในตัวเราแล้วทุกคนความทุกข์นี่มีอยู่ชัดเจนเลยร่างกา ย, ยาเราใครมีร่างกายแล้วไม่ทุกขนะ์น่ะไม่มี เช่นตอนนี้อากาศก็ร้อนรอนหนาวหนาเราก็เปิดพัดลมกันไี้ไหมอาบน้าใหม่ใเปิดพัดลมก็เย็นเย็นหนาวหนาวดีก่อนอาบน้ํามึงก็ร้อนว่าทำวัดไปสักพักมึงก็ร้อนขึ้นไหมเดินมาทำวัดสร็จมึงก็ร้อนอันนี้ก็เป็นความทุกข์ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอันนี้มันก็เป็นความทุกข์ เก็เห็นอยู่หรือว่ามันต้องกินต้องขับถ่ายสีแปดล้วไม่ได้รับประทานอาหารเย็นกันดื่มน้ำปลา น, นั่งดื่มข้าหิวหิวขึ้นมาเป็นความทุกข์ต้องขับถ่ายต้องเอาเข้เาเ อ, าออกเนะี่ยสภาวะทุกข์ของมันหรือว่ามีโรคาปรยายทีมีโรค ร้อนหน่อยก็เจ็บคอหรือว่าอาหารเป็นพิษอาหารไม่ถูกปากเผ็ดปั้งหรือว่าอาหารที่มันมีเชื้อโรคมีแมลงวันจุงนี้มันน่าร้อนแมลงวันเยอะหน้ามะม่วงหน้าผลไม้หน้าทุเรียนหน้าร้อนหรืยังมีเส้นอาหารแมลงวันยิ่งชุ่มนอนมันก็ทันทีมันก็ไข่ทันทีนะแมลงวันนี่ มันกอบป้ามันไข่เลยเป็นนอนแหละเปลเล็กๆไข่เล็กๆ ข, ข, ข, ขาวๆคนอินทรียอ่อนยินเข้าไปก็เรียบร้อยป่วยลุงทีโดนพึ่งต่อยอยู่ๆโดนพึ่งมันต่อยเอาเดินเหยียบมันมันก็ต่อยเอาก็เจ็บปวดเป็นทุกข์ทุกกายรู้ว่ามีวิบากกรรม เชมาเช้ามีแม่ลูกก็ตายจากกันแม่ก็ยังแม่นั่งยกมือสดงจังหวะมานั่งร้องไห้กรับทุกข์ให้กับเพื่อนฟังอีกคนอยู่ใจปูนคนอยู่นครสวรรค์มาอยู่ห้องเดียวกันะคุยกันมันไม่ได้มาปฏิบัตนะิไม่ได้มาแก้ทุกข์จริงๆมันมาเอาทุกข์ไปให้คนอื่นเขาเป็นทุกข์ปูดไปคนอื่น้ก็ทุกข์ด้วย โดยมารยาทไม่อยากฟังก็ตองฟังมารยาทเป็นมายางคนดีเป็นทุกข์องคนดีติดดีต้องมีมารยาทแล้วก็ฟังไปหวานมอมขมเกินมารยาทคือทุกข์ละเอียดนั่นแหละคราวนี้เราก็ไม่ได้เห็นกันสิ่งเราเนี่ยเป็นความทุกข์ทุกข์จากการหาอาหารกินแบบวันๆนะครับทุกข์นะ ต้องดื่มน้ำต้องลับปทานอาหารต้องสารพัดสว่าเตอร์ไม่กับบาภายนอกบางภายในบางเคี้ยวกืนบางคาถาบางอาดมบางหอมชื่นใจอย่างงี้ยบรงบางหัวใจอาดมก็ไปความหอมชื่นใจนใจ้ำมันหมองยาดมใบยูคาลิปตัส ข า, า, ขาทะไคร้ใบมะกรูดต่างๆหอมดีมดอกบุญนาคสารพีดอกมะลิดอกบัวหอมชื่นใจ<ม>อันนี้เรานขนวกวหามาทุกการขนวกวอะไรเป็นทุกหรือว่าได้มาเสียไปเสียราบ มันก็เสื่อมลาเป็นทุกขลามมีความทุกก็ต้องดูแลรักษาบางทีมันก็เกิดความโลภขึ้นมามันไม่ใช่ลาบมันกลายเป็นวันทุกข์นะได้ห้าอยากได้สิบได้สิบก็อยากได้ร้อยได้ร้อยอยากได้พันได้หมื่นได้แสนสี่สามอยากเป็นสี่สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเป็นญาติอยากเรียนโทโทอยากเรียนเอก มีเงินร้อยเงินพันเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านมีเท่าไรก็ไม่พออันนี้มันก็เป็นความทุกข์นะเรียกว่าสหกตาทุก์เหมือนกันนะมันมาด้วยกันฝังสุพมันก็ได้ทุกข์ด้วยเป็นของแถมมีความรักมันก็นมีความหึงหวงหวงหาหิวโหยเหีวหวย่ยวแห้งหดหูปัญหาเกิดสารพัดเล่นะ มันเป็นความทุกข์ทั้งนั้นเลยคุยกันวิบาทกันเหตุผลถูกปิดเอาแพ้อาจนาเนี่เป็นความทุกข์อีกนั่นความทุกข์มีอยู่ตลอดเวลาเห็นมันหรือไม่เท่านั้นนะความเดือดเนื้อความร้อนใจบางทีก็มาในคราบของผูกไทยใส่สูตรเป็นพระเอกติดดีก็ทุกข์ทำดีบางคนทําไม่เป็นก็ทุกข์ ทำดีไม่ถึงดีทำดีไม่ถูกคนทำดีไม่ถูกกาลเทศะอย่างเนี้ยยังไงมันก็ทุกไปทำดีคนอคติใหญ่ก็ชมยังไงมันก็ไม่ดีถ้าทำดีถึงดีทำดีถูกดีทำดีถูกกาลเทศะมันก็มีผลมีผลทำให้เราได้ผลลัพธ์หรือว่าได้ สิ่งที่เราควรพบควรเห็นควรได้สัมผัสเรียกว่าทําดีก็ต้องสัมผัสความดีเป็นความปกติสุขทําแล้วก็แล้วไปทําดีทั้งวันมันไม่ได้ทําอะไรคิดพูดทําอันนี้มันเป็นความทุกข์นะแต่ถามีสติมันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นการกระทําเป็นพฤติกรรมทางกายวาจาใจ ทีเราเห็นแล้วก็ไม่ติดได้เหมือนกันมีทุกไม่ต้องติดทุกมันก็เห็นเหตุแห่งทุกนั่นแหละก็คือชอบหลงก็ไปยึดทําไมชอบหลงก็ไปยึดเพราะว่าไม่รู้สึกตัวทําไมไม่รู้สึกตัวเพราะไม่เคยฝึกเจริญสติทําไมไม่เจริญสติเพราะไม่เคยได้ยินได้ฟังจากผู้รู้ศรัทธาก็ไม่เกิดแล้วทําไมไม่ศรัทธาไม่หาผู้รู้เพราะว่า ยังหลงโลกอยู่หลงตามหลงกินหลงเกลียดหลงวัตถุกามคุณมันก็เลยโอกาสน้อยมากก็ต้องรอให้ทุกมันเด่นเช่นต้อลุกตายแล้วก็ต้องเจ็บไข้ไม่สบายจริงๆไปไหนไม่ได้แล้ว <c oughs> มันไปจะทบทวนนะถ้าจะอยู่ต่อจะทำไงถ้าทบทวนไม่เป็นเผื่อว่าคิดอยากฆ่าตัวตาย อยากทำลายตัวเองทำลายตัวเองมันก็จึงเป็นเรื่องที่เราต้องกลับมาดูตัวเองให้เห็นทุกข์ให้ได้ปฏิบัตธิธรรมนี่เห็นทุกข์อยู่ตลอดเวลากาของเราขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวนี่มันเป็นความทุกข์แะมันแก้ทุกข์มันอยู่ตลอดเวลามเวลาเลยกาก็มีปัญญาของเขาทำยังไงเขาถึงจะอยู่รอดปลอดภัย ก็จะมีสัญญาณภายัยของเขาเช่นอุณหภูมิสูงสูงเขาก็ร้อนเหมื่อเขาก็ซืมมารักษาตัวเองมีปัญญานะก็ขับน้ำออกมาเลยช่วยหรือตัวเองเวลาเขาเจ็บมากๆเขาปิดสวิตไปเลยสลบไปเลยผู้ชายเนี่ยจะสลบงา่ายมากแข็งแรงอยู่แต่ว่าความอดทนและความเจ็บปวดสูผู้หญิงไม่ได้ สภาพใของผู้หญิงนี่มันมีความอดทนอดกลั้นนะต้องทนอุ้มลูกอยู่ในท้องนต้องทนเจ็บตอนคลอดต้องทนอดทนเลี้ยงดูเสมอต้นสุขภาพไปต้องหาอาหาร ใ, ให้ลูกนะมีความรักมีรอบเดือนอยู่ทุกเดือนเนยต้องทนปวดท้องเมนพวกนะี้ยต้องทนผู้ชายไม่ต้องมีพาราอะไรเวลาเจ็บจริงๆผู้ชายจะปิดสวิตซ์หลบไปเลย เรื่องที่เป็นลมไปเลยปิดสวิตต์กายนี่เขาฉล า, าดอยู่จิตนี่ไม่ค่าฉล า, าดนะชอบคิดทำอะไรแบบงโงๆโอยู่เลยจิตเป็นอย่างนั้นจริงๆชอบทาอะไรแบบมายาไม่เป็นความจริงเพราะฉะนั้นเราไปอยู่กับเขานานๆเนี่ยไม่ปลอดภัยหรอความคิดถ้าถ้ามีสติหยิบมาใช้นิโยชน์มากความคิดหยิบมาใช้เกิดคุณค่า แต่ก็ความคิดมันใช้เรามันฆ่าคุณความคิดมันทํางานไม่มันฆ่าเราแต่ถ้าเราหยิบความคิดความคิดมาใช้เกิดคุณค่ากายก็เหมือนกันถ้าเราหยิบมาใช้เกิดคุณค่าถ้ามันใช้เราน่ยมันฆ่าคุณมันใช้ทั้งวันสอกสอกสอกสอกสอกเดี๋ยวก็อยากเจ็บอยากทําอะไรไม่รู้มากมายเหลือเกินที่มันเป็นการทําลายตัวเอง ร่างกายของเรานะีมันมีอยู่บางทีมันก็ติดรสชาติทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายทางใจตาหูจมูกลิ้นเนี่ยมันปิดเหมือนกันไม่ว่าวิญญาณชอบดูทางตาจนเป็นจลิตนิสยัยจะมีอาชีพทางตาก็สร้างหนังสร้างละครเนีเราได้ดูทางตา น, ะนั่งเฉียวเวลาได้ตลอด ดูหนังดูละครทางหู ย, ยั่วยุทําเสียงให้มันดูน่าฟังขับเพลงดนตรีต่างๆถ้าเราดูแบบไม่มีสติฟังแบบ ม, มีสติมันสามารถหลงเผลอไปเป็นความทุกข์ได้หมดเลยแต่ถ้ามีสติมันก็เออไม่เป็นไรหยิบมาใช้หยิบตามาใช้หยิบหูมาใช้จมูกกลิ่นหยิบมาใช้ ลิ้นริมรสเนี่ยหยิบ ม, มาใช้สมองคิดเนี่ยหยิบ ม, มาใช้เกิดประโยชน์ทีเดียวได้เงินได้ทองฮะเงินห า, หาทองพึ่งตัวเองได้พึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ว่าขณะที่เราฝึกให้เราสังเกตนะฮะจิตมันมีตัวตนต้องฝึกให้มันรู้เนื้อรู้ตัวให้มากๆสติก็เป็นตัวปรุงแต่งชนิดหนึ่งสติ กาลือกครูเนี่ยนะมันตัวปรุงแต่งชนิดหนึ่งเป็นอารมณ์ที่เป็นนามธรรมที่เราจะได้สัมผัสเวลามีสติก็คือเฉยๆจิตจะเฉย ๆ, ๆธรรมดาธรรมดาจะผ่อนคลายตัวนี้ตัวปรุงทั้งหมดเลยแล้วมันก็มาแล้วมันก็ไปได้นะมันมาแล้วมันก็ไป ถลับไปยึตเอาตัวสติก็เป็นทุกข์อีกแล้วเนะีจะต้องอยู่จะต้องปกตินานๆจะต้องรู้สึกตัวได้อย่างต่อเนื่องไม่ต้องมันได้แค่ไหนก็ได้แค่นั้นนะตามกําลังของการฝึกการหัดเวลาไม่มีสติมันจะคิดปรุงแต่งไปทางบวกเป็นปุญญาที่สังขารเป็นความสุขนะในโลกนี้นะเราติดบุญก็เป็นบุญนิยมอ่ะแต่เราติดลักษณะของ สังคมก็เป็นสังคมนิยมบางทีก็เป็นเรื่องของจิตนิยมบางทีเป็นเรื่องของพุท ธ, ธนิยมบางทีเป็นเรื่องของสากล น, นิยมมากมายเหลือเกินที่เราหลงเข้าไปไม่รู้เนื้อรู้ตัวบรรยากาศเป็นเรื่องการยึดทั้งนั้นเลยแต่ถ้ายึดและใช้ใช้โดยสติใ ช, ใช้เสร็จระววางดี เช่นการเคลื่อนมือนะยึดมาใช้รูปแบบนะี่แนวหลวงปู่เทียน14ชจังหวัดยึดมาสั่งมันเคลื่อนหยุดเคลื่อนหยุดเคลื่อนหยุดนะี่ตรงนี้มันเป็นนักณะของการฝึกสติอริยามะมีวง 8, สัมมาสติอันนี้เป็นการฝึกสติในรูปแบบแนวเคลื่อนไหวมันก็มีอยู่ในพระสูตรนั่นแหละเรารู้ว่ามันมีแล้วก็ฝึก อานาปาติก็มีเรารู้ว่ามีเราก็ฝึกแต่ว่าที่นี่เราฝึกการเคลื่อนการไหวเราก็รู้เราก็ฝึกการเคลื่อนไหวสร้างจังหวะเดินจงกรมเราก็เห็นการเคลื่อนไหวมันก็มีความรู้สึกเราก็ฝึกเคลื่อนเป็นยังไงเป็นยังไงเดินเป็นยังหวะเป็นยังหวะเราเห็นว่ามันมีเทคนิคปฏิบัติซ่อนอยู่ขณะปฏิบัติในเช่นท่านั่งเนี่ยนะ มันนั่งยังไงถึงจะผ่อนคลายผ่อนคลายนั่งยังไงไม่เก๊กไม่เกร็งมันทํำยังไงเสรแล้วเราก็สั่งตัวเองให้เคลื่อนมือเคลื่อนยังไงไม่เก๊กไม่เกร็งใหม่ๆ ม, มก็อดเก๊กเกร็งเพ่งจ้องไม่ได้นมันเป็นเรื่องธรรมชาติของผู้ใหม่เคยเปรียบเทียบว่าเวลาเราหัดขับรถใหม่ๆนะรถยนต์นะไม่มีใครไม่เกร็งทุกคนนะถอดรองเท้า วงมาเลยเน่ยจับแน่น เ, นเงือ่ซึมเกรงเกียร์ก็ทํามาดีๆก็ใส่ไม่เข้าหรอกเชื่อไหมล่ะเกียร์รถเดินเนี่ยใส่มาดีๆทํามาผลิตดีๆแต่เราใส่ไม่เข้ามันผิดร่องผิดรอยแล้วมันเบาไปก็ไม่เข้าเกียร์แรงไปเกียร์ก็ไม่เข้ามันก็ ต้องฝึกต้องหัดกันทำซ้ำๆให้เวลาตัวเองนิดนะึงจากการที่มันเกร็งๆกลายเป็นผ่อนคลายขึ้นนะนะกามเนื้อจับปลมอะไรก็ผ่อนคลายขึ้นนะคนที่เคยฝึกหัดทำงานหลายสิ่งหลายอย่างเขาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเราสังเกต ด, ดูผู้ชายคนไหนเคยอุ้มเด็กอาจะรู้เลยเป็นยังไงจับตอนแรกไม่รู้จะจับยังไงมือไม่ไมกๆๆเก่งเก่งเนะกอเกอรเขินเขนแต่ว่าอุ้มใบใบมัก็ชิน ใหม่ๆเราทําอะไรมันจะไม่คงเส้นโคงวาเข้าที่เข้าทางจับปากกาเขียนหนังสือองนะจับปากกาขเขียนตัวหนังสือมันก็เมื่อยมือเขียนไม่เป็นตัวแถมยังเมื่อยมือต่างหากจับพู่กันเห็นศิลปินเขาวาดภาพเนี่ยแล้วจับพู่กันแหมตวัดเส้นแฟบอ่อนช้อยตรงเป๊ะเลย เราก็อยากทำตามจากผูกรมมากดแรงเส้นก็แตกสีก็ไม่เสมอต้นเสมอปลายเลยมือยต่างหากอันนี้คือลรื่ังการฝึกการหัดไม่ใช่หมายถึงว่าถูกหรือผิดนล้วประสบการณ์ของเราที่เราฝึกหัดกันมก็ต้องผ่านอาการต่างๆมากมายมันเป็นการเดินทาง ติดใจบ้างติดขวาบ้างเก๊กเกงเพง่งจ้องบ้างเผลอบ้างพอดีพอดีมันก็มีเหมือนกันตัวนี้ให้สังเกตเป็นการเดินทางเป็นการพัฒนาจิตเรียก ว, ว่าจิตตภาวนาภาวนาข้างนอกวัตถุรูปธรรมการพัฒนาที่ดีที่สุดไปอยู่ที่ให้ก็ลมกลืนกลมกลืนว่ามีการตัดสินใจอะไรลงไปกับรับผิดชอบถู ก, ถ ก, ถกคือถูกผิดคือผิด ก็อยู่ด้วยปัญญากันเที่ยมกันก็คือความรู้สึกตัวทุกครั้งที่สัมผัสรู้สึกถ้ารู้สึกแล้วไม่ถูกไม่ผิดแล้ะถือว่าเดินทางได้ตรงเป๊ะเลยเจริญสติปัฏฐานสี่นทางเอกคนทางเดียวสุขการรู้แจ้งรู้แจ้งรู้แจ้งใเรื่องของกายเรื่องของจิตใจของเรากลายเป็นก้อนทุกข์แต่เวลาแมวมาเป็นความทุกข์เป็นความบริสุทธิ์ของธาตุขันใช้ทํางานทําหน้าที่ไป ทั้งบันตื่นรู้ตื่นรู้ทําอะไรได้ก็ทํามือก็หยิบไว้มือก็มีไว้หยิบจับเอาไว้ทํางานทําการหรือว่าทุกคนมีเงินอยู่แล้วสิบล้านนิวละล้านนิวละลานนิวละลานนิวละล้า น, น, ลลานสิบล้านตัดนิ้วขายล้า น, นอาตมาไม่ขายหรอกนิวละล้านนิ้วด่วนเป็นไอ้กนะุศลแมวหรอก เหลือไว้ขยับขยับนึกหน่อยทํางานทําการมันได้เยอะกว่า น, นั้นขยับทํางานทําการมีงานอะไรทํามันมีช่องทําแล้วได้เงินได้ทองมีสมองคู่กันนิวละลานนี่ไม่ขายเอาไว้เล่นดนตรีไว้เขียนแบบเอาไว้ทํางานทําการอะไรมากมายเหลือเกินใจมันได้ประโยชน์อยู่เราเห็นคุณค่าของมันแต่บางคนไม่เห็นคุณค่านะนิว ขยับแต่ละครั้งก็กำหมัดนะทำลายตัวเองทำลายผู้อื่นกรำมีดกำปืนอันนี้คือจิตยังไม่ได้พัฒนามันก็ต้องเป็นอย่างนั้นเอาไว้ชี้นิ้วด่ากันเอาไวช้ชี้คนนั้นคนนี้คนน้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้น้นะเพ่งออกไปนอกตัวแต่ว่าเราฝึกสร้างจังหวะเราใช้ห้านิ้วขยับกลับมาดูตัวเองเห็นตัวเองนะมาเห็นตัวเองก็อ่านตัวเองออก อ่านตเงก็บอกตัวเองได้ใช้ตัวเองเป็นนมัใช้ตัวเองเป็นก็ทําหน้าที่ทํางานให้มันงามขึ้นไหเห็นไหมอย่างวันนี้เราไปจับจอบจับเสียมกันนะห้านิ้วสิบนิ้วปรับดินกันนะให้มันงามขึ้นมาจากดินนี่เปนนนนก็โคกบางตัวหนังสือปรับให้มันเรียบลงไปมันดูเห็นตัวหนังสือกรรมฐานแนวเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยโอ้ดูแล้วมันชัดเจนมากเลย วัดป่าสุกโตสถาบันจะตษฐฐานกรรมฐานแนวเคลื่อนไหว mm hmm. ดูเราก็เห็นเป็นความสวยงามแบบเป็นาศาสตร์เป็นศิลป์เป็นกุจโลบาย mm hmm. คนมาเห็นก็อ๋อที่นี่ไม่ใช่รีสอร์ทแล้วก็เป็นรีสอร์ต mm hmm. สุกโต ร, รีสอร์ทพับบิกคอมมานีลิม mm ิเต็ดโอ้ที่นี่วัดป่าสุกโตไ่เจอป้ายแล้ว ไปสองแว้บ ๆ, ๆเข้าตาสถาบันสติประฐานกรรมฐานแนวเคลื่อนไหวโอ้ม น, น่าสนใจมันเป็นยังไงเนาะแนวเคลื่อนไหว<ม>เราก็ได้ทำประโยชน์อย่างเงี้ยนะไว้ให้กับโลกไม่ได้ทำไว้เป็นส่วนตัวทำให้คนหมู่มากได้ไมาใช้กันมนุษย์จะพันล้านคนในโลกใบ น, นี้นี่เมืองไทยมีอยู่หเจดล้านคนอีสานมีนอยู่ประมาณยี่บห้าล้านคน วัดในประเทศไทยมีอยู่สองหมืกว่าวัดพระมีอยู่ประมาณสามแสนบรรลุูมสถาบันสติปัฏฐานเอาไว้ฝึกสติปัฏฐานกันเคลื่อนไหวใจรู้กายทำอะไรใจทําด้วยเคลื่อนไหวก็รู้สึกตัวคิดแป๊บลูปปุ๊บคิดแปับลูปปุ๊บนะและ้วเกิดความสะดวกขึ้นมาเรียกว่าสปายะอย่างนี้นะที่นั่งสบายที่เดินสบายที่ขับถ่ายสบายที่กินสบายอากาศสบาย เพื่อนก็เป็นกะลาเมติกันอยู่กันแบบสบายๆคําพูดสบายทำมาแบบสบายๆประเดี๋ยวทำที่เราเห็นว่ามันสบายนั่งเก้าอี้ก็ได้ไม่จำเป็นต้องนั่งจนเจ็บจนปวดนั่งคัสมารคัสมาธินั่งเก้าอี้มีเก้าอี้ให้นั่งเดินก็ได้เดินจงกรมเดินไปเดินมาอย่างเนงะี้ยยิ่งเคลื่อนไม้เคลื่อนเมือนะโหมันดีทีเดียวโยม แล้วอย่าบอกนะว่ามาที่นี่มาแดอะไรอย่าพูดเด็ดขาดเลยอย่างน้อยได้ประสบการณ์เคลื่อนไม้เคลื่อนมือสิสีจังหวะอย่างน้อยก็ได้กล้ามโตกระชับมากกว่าเก่าแขนยกทั้งวันนาะยมเดินทั้งวันนะมันไม่กระชับไม่แข็งแรงขึ้นได้ยังไงจะได้ลดความอ้วนปกติอาสาเมื่อสีมื้อกินกั น, กนไปที่นี่แล้วสองมื้ออาหารโอ้โหมัดมือชก ตักทีหลังด้วยก็เหลือแต่น้ำแกงเนียนะเนื้อไปไหนหมดอั น, นมาเคยมาใหม่ๆนะโยมออที่นี่นะอาหารเนี่ยตคัดมากมันมีวันหนึ่งมีไข่อยู่ฟองเดียวแล้วก็มีพระอยู่สามรูปน้วถามว่าจะทำยังไงถ้าเป็นสมัยก่อนเน่ยเขาจะมายียียีถ้าเป็นคนละยองอ่ะนะยี คนมีลูกเยอยกออกไข่มายีๆๆก็น้ำปลาใส่เยอะๆจัจก๊จกจกจกจจกแล้วก็ตากไปได้ไข่ได้แดมปลาได้ น, นิดเดียวคลุกข้าวเคมปี่อะไรทั้งจานเลยใช่ไมแต่ที่นี่โอ้โหอาจารยูกิกัรหนึ่งเบอร์หนึ่งยญี่ปุ่นอาจารมาลูกที่สมบวดใหม่อยู่ๆอาจารยูกิยกไข่ไปทั้งฟองเลยใส่บายของตัวเองเอามาใจเสียวแว๊บโอ้นท่านบอกท่า น, รนราปริญยาโทรอยู่เจรกรุมายาไย ไข่หนึ่งฟองพระสามลกูกยังคำนวนไม่เป็นเลยมันตำหนีอยู่ในใจอ่ะโอ้มันเกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วจะกินอะไรเราวันนี้สมัยก่อนนี่ข้าวไม่มีหงนะบินธบารมีตะข้าวเหนียวชาบ้านเนียวอจกใส่หัวแล้วก็ใส่บารแล้ว ก, กลราบอย่างนีน้ใครมีอยู่ที่หนึ่งที่วังแค่ ขณะที่เดินใส่บาตเยู่แม่ก็ลุ่ลูกก็ดึงว่าถุงแม่ใหญ่เลยไอ้แม่ก็ลื่นลงมาเสร็จแล้วยายก็ไม่ใช่แม่แกก็เดินใช่มเสร็จแล้วก็แก่นะยายคนนี้แก่แลวคราวนี้ระหว่างที่เขาใส่บาตนะลูกเาก็ น้ำมะมามามามามาเด็กยังพูดไม่ได้ยังมามามามามาดึงยาวก้าเหนียวจะแยงก็เดี๋ยวจากมือแม่ที่จะใส่บัตรแล้วเดี๋ยผ้าแดดก่อนมึงค่อยฉันเด็กผ้าแดดก่อนมึงค่อยฉันโยมเลยเพราะฉั้นแต่ละวันแต่ละวันเนียราเจออะไรบ้างตากระทบโลกหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นเล็มรถ กายสัมผัสเรารู้สึกตัวอยู่เบ้านั่งเดินยืนนอนทํากิจวัตรจาวันรู้สึกตัวกันบ้างน่าสนใจนะชีวิตที่เราปฏิบัติธรรมธรรมะปฏิบัติธรรมมาธรรมะนับปฏิบัติเป็นปัญญาจิตใจของเราจะรู้สึกเป็นปกติมากๆทุกครั้งที่มันรู้สึกตัวฐานกายของเราเนี่ยอันเนี้เป็นละนกษณะของสติปัฏฐานเบื้องต้นเลยที่เราฝึกหัดนะ จากเก๊กเกงเพ่งจ้องจากเผลอเผอมันค่อยพอดีพอดีพอดีมันจะตื่นตัวมันรู้สึกผ่อนคลายสบายโล่งทีเดียวมันไม่เคยเป็นมาก่อนหรอกอาการอย่างเนี้มันสบายนะสบายตัวมันไม่เคยเป็นมาก่อนเออาาอนนมืมมเเม่อก่อนหวังว่าทําอย่างนี้จะมีความสุมก็ไม่ใช่ทําอย่างนี้จะมีความสมก็ไม่ใช่แต่เนื้นอสัว์เออมาอยู่ยนี้ธรมธรมดาธรรมดารู้สึกตัวอยู่ไปวันวันเออดีเหมือนกันมันรู้สึกอิสระภาพเกิดขึ้นมา มันเห็นตรงนี้มันก็เลยให้คุณค่ากับการปฏิบัติกรรมฐานเรื่องอื่นๆก็เต็มยนล้นมาแล้วล่ะแต่ว่าการปฏิบัติธรรมเรายังทําไม่พอไม่เคยมีใครพูดให้ฟังทําให้ดูอยู่ให้เห็นเย็นได้สัมผัสแต่มาที่นี่เราได้เห็นเออมันมีอยู่จริงๆคนที่เย็นให้เราได้สัมผัสคนที่ทําให้เราดูมันมีอยู่ตรงนี้เราก็เลยชวนกันทําำนะชวนกันทํา เกินไว้รู้สึกตัวเดินจงกรมรู้สึกตัวมันก็จะมีอารมณ์ต่างๆมากมายมาให้เราผ่านให้เราเก่งเราก็ผ่านแล้วผ่านอีกง่วงแล้วง่วงอีกก็ผ่านแล้วผ่านอีกมันคิดแล้วคิดอีกเราก็ผ่านแล้วผ่านอีกมันเบื่อแล้วเบื่ออีกเราก็ผ่านแล้วผ่านอีกแต่มันก็เก่งขึ้นมาบางทีมันก็ชีวิตใหม่แลเนี่ยเมื่อก่อนเคยเพึ่งวัตถุหนึ่งสองสาบุงคลหนึ่งสองสามตอนนี้มันเริ่มเห็นตัวเองเพึ่งตัวเองได้มันเคยคิดนะแล้วก็ตอบ ปัญหาตัวเองไม่ได้ตอนนี้มันเริ่มหลุดออกมารู้สึกตัวรู้สึกตัวมันหลุดโล่งเลยนะมันหลุดโล่งอยู่ในหัวสมองเรานะมันผ่อนคลายสบายเนะือสบายตัวมมีอยู่มันเป็นความรู้สึกตัวทั่วพร้อมที่เราฝึกไปฝึกไปก็เห็นรายละเอียดของตัวเราเนะี่ยแหละเป็นความรู้สึกตัวเพราะฉะนั้นเวลาถอดรหัสทำถอดรหัสกรรมราต้องถอดรหัสด้วยความรู้สึกตัว ต้องลงมือทำลงไปแล้วก็ทํามะมันจะไหลออกมาเอาาเรามีปัญญาตาหูตาในมันเปิดตาใจมันเปิดมันก็ได้ยินเสียงธรรมได้เห็นเสียงธรรมได้เห็นสภาวะธรรมต่างๆสัมผัสธรรมนะทุกครั้งที่เคลื่อนไหวรู้สึกเป็นการสัมผัสเบื้องต้นแหละสัมผัสธรรมชาติธรรมชาติของกายที่มันมีความรู้สึกตัวแต่ว่าเราไม่รู้จักมันว่ามันคืออะไรเท่านั้นเอง เราเคยเอาความคิดเหตุผลต่างๆมาแยกแยะแล้วก็ได้คําตอบแล้วก็เชื่อมันอย่างนี้นะแต่ตอนนี้ไม่ใช่วิธีคิดแยกแยะไม่ใช่ตรกกะคำตั้งคานวณอะไรมันไม่ใช่เห็นว่ามันตรงกับใจเราเห็นว่ามันน่าเชื่อไม่ใช่แต่เฮ้ยมันเปลี่ยนไปฮะเราเคยกอดล้ร้อนอย่างนี้นนะนรู้สึกตัวมันธรมธรมดาธรรมดาตัวร้อนรหายไป มันเกยหิวแล้วโมโหหิวไงนะหงดหงิดเอ๊ะมันหิวแล้วมันรู้เฉยๆไงนะตัวหงุดหงิดโมโมหหิวหายไปเมื่อก่อนมันเจ็บมันปวดไงนะี้ยนไม่ได้ดังใจไงอยากร้อนได้เยน็นอยากเย็นได้ร้อนเดือนนี้มันกลายเปนะ็นเออไม่เป็นไรคําว่าไม่เป็นไรมันโผล่ออกมาแล้วมันเกิดมาเป็นอาการภายในจิตใจของเราไม่เป็นไรก็ตอบข้างในแบบยิ้มยิ้มไม่ใช่เก็บกด เวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยนะเราจะเห็นว่ามีการเก็บกดแต่ตอนนี้มันยิ้มยิ้มแบบเข้าใจอนะ่ะเวลาเราโกรธคนอื่นเราเก็บกดอย่างนี้นะแต่ตอนนี้เรายิ้มยิ้มแบบเข้าใจเขาเข้าใจอนะ่ะเข้าโกรธเราไม่โกรธเราเห็นตัวเราด้ยเห็นตัวเขาด้วยนะมันก็เลยเป็นอมดีดีประเดติธรรมนี่ดีเหมือนกับมันไม่ลุงรังดี มีกายมีใจเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือมันก็พอแล้วพอเพียงเลยเคลื่อนไหวรู้สึกเนะี่ยพอจริงๆแล้วท้ายสุดการเคลื่อนไหวที่เป็นเองทั้งหมดนะมันก็กลายเป็นเรื่องของการฝึกขัดจลจิตจฐานให้ท่องไปทั่วสารพางกายมันก็จะเห็นด้วยสติที่ละเอียดละเอียดนะเกิด ค, ความเป็นเองทั้งหลายทั้งหมดที่มันมีอยู่ในชีวิตแล้วทุกๆคนที่นั่งอยู่ในทีน่นะ มาทำมามีอยู่แล้วในตัวเราทุกคนไม่เว้นเลยใครทักคนจึงไม่น่าโกรธใครทักคนหลวงพ่อเมแกนนั้นบอกว่ามองคนทุกคนในเหมือนกับเป็นพระเจ้ามันก็เป็นจริงๆอ่ะเห็นแล้วโอ้ก้าอดีได้แน่นอนเขาเคลื่อนไหวรู้สึกตัวอยู่เก้าดีได้แน่นอน เ, เอนรืกอกำลัออ ง, ลงทําหลายๆอย่างอยู่ก็ไปเป็นไรหรอเดี๋ยววันหนึ่งก็ต้องเห็นคนค่าตัวนี้แน่นอนเพราะไม่หาตัวความรู้สึกไม่หาการเคลื่อนการไหวนะ มันยังไม่ได้มีการเริ่มต้นเนละของการเดินทางสู่การพ้นทุกข์ไปสู่มรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานมันเกิดทีนะ่ความรู้สึกตัวแต่ละขณะแต่ละขณะทุกครั้งที่รู้สึกตัวภาวะพุทธะตัวนะั้นาแสดงออกมาคือในรูปรอยของความเป็นปกติของจิตฟังเสียงคนทุกคนนะให้เหมือนกับฟังเสียงเทสนาธรรมดูคนทุกคนนะให้เป็นพระเจ้า ฟังเสียงคนทุกคนเนี่ยเหมือนกับเป็นเทสนะธร ร, รมเป็นเสียงธรรมะที่เขาเทศให้เราฟังเขาด่าก็เทศให้เราฟังเนี่ยนะฟังแล้ ว, ม, วมันก็รู้อยู่รู้อยู่รู้อยู่เราก็หันกลับมาดูตัวเองเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่ามันเออมันอาจจะเป็นจริงๆนะไม่ ง, งั้นเขาคงไม่เห็นชัดขนาดนี้เราพูดมาได้ชัดขนาดนี้เราก็มาสำรวจดูคงจะเป็นอยู่นะแต่คราวหน้าจะไม่ทําอีกแล้วหรกคราวหน้าก็จะไม่ทำํำ ขอครั้งเดียวแหละครั้งนี้ที่คุณเห็นคนระั้งนี้ไแล้วอะไรนี่แล้วก็เปลี่ยนไปนก็เป็นการเปลี่ยนอย่างเรียกว่ายิ่งใหญ่ทีเดียวในชีวิตของเราโยมเคยโดนคนเขาขากถุยใส่ไหมเคยไหมเคยปะตอนเป็นโยมมาไม่เคยตอนเป็นแพร่เน่เคยตอนเป็นแพรเนี่ยเค ย, เเ ย, เคยขากถุยของปลอม เผืองะอมามันเย็นเข้ากระโดกอะปกติมเคยร้อนวูบแลยตัวสั่น เ, นเอาหน่อยมะเดือดขึ้นหน้านะบาไหมตอนนี้มันเย็นวูบออกมาเดีเลยตัวนี้จิตนิ่งๆเห็นตัวเองฉันเห็นก็เดือดร้อนแล้วก็สงสารอะไรกัเนี่ยจต้องปิดทองหลังพร ะ, ะค่อยให้เวลากันหน่อยพวกนี้เดี๋ยวก็ร้อนไปแพ้ไยตัวเอง ไม่เป็นไรให้โอกาสกันอันนี้ก็ลองพูดว่ามันใช้ได้จริงๆใช้ได้จริงๆให้เราเนี่ยเหมือนว่ากลับมาหาตัวเองกันแล้วเราก็จะได้เห็นว่าโอ้ร่างกายของเราจิตใจของเราเป็นก้อนทำเป็นก้อนธาตุหรือก้อนทะแล้วก็นังสารที่สุดคือตัวเราเนี่ยแหละนังสารที่สุดแล้วเราก็จึงสงสารตัวเองแล้วก็บอกตัวเองควรจะทํำไงต่อไป สติปัญญามันจะพาไปเมื่อก่อนตัวหลงก็พาไปถูกบ้างผิดบ้างหลงทิศหลงทางไปแต่ว่าต่อไปนี้การเดินทางเราก็นั่นหมายถึงว่าเราจะถึงจะประมาทกันน้อยที่สุดที่เรียก ว, ว่าประมาทน้อยที่สุดคือพยายามกลับมาหาความรู้สึกที่กายกันไว้รู้เนะื้อรู้ตัวเห็นรูปทํานามทนะํานื้อว่ารู้สติกันไว้ถ้าเรารู้สติแล้วความเป็นโปรตีนจะเด่นสามารถดูจิตได้เลย เราสามารถดูจิตอะไรที่เราดูจิตดูจิตกนะ็คือเห็นสติมันเด่นรู้แล้วสภาวะอาการนี้คือตัวสติแล้วมันจะอยู่ในแดนของรู้ตัวทั่วพร้อมเรารู้รอบของสังขารมีสติและมีปัญญามจะรู้เป็นแดนของกรรมฐานแดนของงานเป็นแดนที่ไม่พาให้เราหลุดออกไปทางโลกแล้วเป็นทุกข์โลกธรรมจะทําอะไรเราไม่ได้มันมีอยู่ เห็นทาก็รู้แล้วสรรเสริญก็รู้นะมีลาบเสืริมลาบมียอดเสริมยอดมีสุขมีทุกมันเป็นสมมุติบัญญัติในสมองของเราทั้งหมดมันสร้างโลกขึ้นมาความคิดเนี่ยความคิดมันสร้างโลกขึ้นมาวิธีคิดของเราจะมีอะไรมากมายแลย น, น, นะพระธรรมจึงมีคําว่าเขาว่าเราว่าแต่ความเป็นจริงมันเป็นเช่นนั้นเองไม่เป็นอะไรกับอะไรกับอะไรตัวนีน้มันจะมีออกมาเป็นภาษาอาการภายในจิตใจของเรา ที่มันจะบอกตัวเองเนี่ยน ะ, นะเราก็จึงพากาันทําพากาันปฏิบัติธรรมมาที่นี่เราเชื่อว่าแนวเคลื่อนไหว14จังหวะแบบหลวงปู่เทียนช่วยเราได้จริงเป็นสูตรสาเร็จอืดใจเดียวสู่การรู้แจ้งเป็นจริงๆอย่างที่หลวงพ่อครูวิจารย์ท่านพูดเอาไว้เป็นทางเอกขนทางเดียวสู่การรู้แจ้งรัดสันสนทุกครั้งที่รู้สึกมันเป็นไปแล้วความไม่ทุกข์มันก็เกิดขึ้นแล้ว การเดินทางสุขการบรรทุกมักนก็เกิดขึ้นแล้วมรรคผลนิพพานก็อยู่ที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้แล้วทุกค น, ก, คนก็ได้สัมผัสหรืถ้ารู้สึกตัวเราจึงรวมตัวกันหกเจ็ดสิบชีวิตนะเนี่ยเรียนรู้ชากรรมฐานกันเพื่อให้เราไม่มีภาระในชีวิตต่อไปทําหน้าที่ทํางานให้มันงามมันงามมันก็เกิดสันติสุข ต่อตัวเองต่อชุมชนสังคมก็กลัวมนุษยชาติจะั้งเกิดสันติภาพทำให้เราเรียกว่าอยู่ในแดนนี่เรียว่าศีอารยเมตย์ก็ว่าได้นะหมายถึงเป็นแดนของโลกที่มีแตรการเ อ, อื้อเฟื้อเผื่อแผ่สงเคราะห์อนุเคราะห์แล้วก็กลายเป็นเรื่องของใครอยู่ในโลกนี้ก็สามารถอยู่ได้ทุกคนเพราะว่า โลกนี้มีการแบ่งปันกันอีกคนต้งหิวอีกคนต้องก็ให้อยู่แล้วอีกคนต้งป่วยคนก็ช่วยเหลืออยู่แล้วอีกคนนึองตายขาดญาติมิตรเราทุกคนก็สามารถเนี่ยปิดตาก่อนตายให้กันได้นี่นะพระที่นี่หลวงพ่อเขียนเลยบอกว่าอย่าอยู่คนเดียวนะอยู่ที่นี่พยายามจับคู่กันไว้อยู่สองคนสองคนสองคนท่านพูดนะชัดเจนมันเคยอย่างนี้มีตอนเช้านะทานข้าวแต่ไม่ออกไปทานนะปรากว่า หมดลมหายใจอยู่ในกุฏิมันก็เคยมีมาแล้วอย่ามย์มื่อคใครไปนอนกุฏินี้เนาะแล้วก็อีกกุฏ์หนึ่งก็เป็นมะเรงแล้วก็ตายค่ะกุฏ์ก็ตายมาแล้วอย่ามยแล้วก็มีอีกนะบางกุฏ์เนี่ยกลางคืนนอนแล้วบอกโอ๊ยนอนไม่ได้แล้วเว้ยไปดีกว่าเก็บของ ยายกุดไปไปนอนกับหลวงพ่อหายไปสามวันเราก็เป็นลอยอยู่ในสะขึ้นอืดชึ่งขึ้นมาโยมมันมีละเพราะฉะนั้นกลางค่ำาคืนนะนอนอยู่กับที่นาะยย้า ย, ายกุดเมื่อคืนใครย้ายกุดอนะยกมือขึ้นนะเมื่อคืนใครไม่เดินนอนกับเพื่อนย้ายกุดนะยกมือขึ้นไม่ได้ว่าถูกไม่ได้ว่าผิดนะเมื่อคืนนะใครขนของจนห้องข้างๆก็นอนไม่หลับ่มีไหมยกมือขึ้นไปนอนกับเพื่อนอ๋อมีนอนนอ ทางโน้นยกมืออยู่อ่านะอันนี้ก็เตือนกันไว้ในแง่ของว่าพยายามผ่านอารมณ์โดยการใช้ความรู้สึกตัวมีอยู่คนหนึ่งก็เคยกลัวกลัวก็รู้สึกตัวเคลื่อนไหวรู้สึกออกมาพอรุงเช้ามาก็ามาบอกเลยว่าความกลัวที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นความกลัวแต่พอรู้สึกตัวปั๊บแต่มันหายไปแล้วเขาก็บวชเลยนะตัดสินใจลาออกจากงานหลังจากเห็นความกลัวนะ จนกทั่งเดือนนี้ก็ ก, ก็ยังบ่มนสึกยังอยู่มันได้ไประโยชน์ที่เดียวเวลาเกิดความกลัวไม่ให้รู้สึกตัวความกลัวในเป็นตัวละเอียดนิดมันเป็นตัวมัจจุมานตัวมัจจุมานมาในข้าวของความกลัวความโกรธอันนี้ง่ายมาเร็วแล้วก็ไปเร็วการที่เขาแสดงตัวออกมาเนยออกมาง่ายๆแล้วก็ไปไวมากเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวลมถ้าเคลื่อนไหวหรู้สึกตัวอยู่ คิดแล้วมันจึงกลัวคิดแล้วมันจึงโกรธถ้าเรารู้สึกตัวเนะี่ยอั น, นี้เป็นผัะนาเป็นลักษณะการสัมผัสที่มันออกมาจากความคิดทุกๆขณะที่เรารู้สึกมันช่วยได้วัะนั้นเพึ่งตัวนี้กันใครยิ่งเจออารมณ์เนี่ยยิ่งดีคนเก่งมัจะเจออารมณ์แรงๆใครที่เก่งไม่จะเจอแรงมากแต่ถ้าผ่านได้กลายเป็นเรื่องของปัญญาที่มันจะพาพ้นทุกข์ เพราะนั้นตรงนี้มันคือพัฒนาการที่เราจะต้องขอบคุณมันมีอารมณ์เกิดขึ้นมาด้วยกรณีใดๆก็ตามถือเป็นครูให้หมดและทยส่วนเราจะเห็นวนะ่าท้งออกวันนี้จริงๆทุกครั้งที่รู้สึกตัวเป็นอารมณ์จะเหี่ยวเหียวอ่อนๆแล้วไม่มีพลังครอบงำจิตใจของเราไม่ได้เราจะรู้สึกแล้วอืมทึ่งทึ่งเมื่อก่อนเราเคยเพิง่งวตถุนึงสองสามแล้วบุคคลหนึ่งสองสามตอนนี้กลายเป็นว่าเราเพิ่งความรู้สึกตัว เมื่อที่มีเสียงก็แก๊กก็แก๊กก็แ๊กน่ทั้งคืนเลยบางคนก็พนมมือเลยน้ำโมตัสสะพระาัตโตหลังโตสัมมาสัมพุตสสะไปสะไปซะน้ำโมตัสสะพระาัตโตหลังโ ต, ส, ส, ส, ตงสัมมาหลังสัมมาสมโทบอะว่าสวดมนต์มารู้บทไหนบทไหนลราจาได้เรท่องหมดเลยไลผ่ผีใช่ไหมกลับมารู้สึกตัวสิบางคนนี่หาไม้ฉายนะบางคนมีมีดมีไ ม, ม้มีกระบองอะไรแบบนี้ มันไปพึ่งวัตถุนถึงสองสามคลถึงสองสามเรามันรู้สึกตัวพอรู้สึกตัวปุ๊บจะเห็นว่ามันมีสิ่งนั้นอยู่ใ่ใจเรามันเฉยว่ากปลอดภัยเรียกว่าปลอดภัยไม่มีภัย เ, เห็นว่าพูดมาสมควรเกี่ยวับเราเรากลับ พ, พร้อมกัน